ซ d MP3 แววเสียงสวรรค์เล่มสามและเล่มสีงานเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเสียงอ่านโดยโจโฉรวมเรื่องโลกหลังความตายหรือชีวิตของโอปปาติกก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 สำหรับการขอรับซีดีกรุณาอย่าโทรศัพท์มานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้สำหรับการติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับและก็เร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดชมรมธรรมะชื่อว่าบ้านผลดีจะเริ่มสาขาแรกในปี 2,555 ก่อนและถ้ามีบุญก็จะกระจายสาขาไปในหลายจังหวัดเพื่อให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรที่สนใจด้านการอัดเสียงทาสื่อธรรมะ จะสอนฟรีทุกขั้นตอนนะครับจนผลิตเป็นแผ่นสําเร็จและอัปโหลดลงเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดฟรีได้เป็นแหล่งรับผลิตซีดีธรรมะเพื่อแจกฟรีแล้วก็เป็นสถานที่สําหรับจิตอาสามาช่วยกันทํางานเพื่อสังคมก็ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์โจโจดันเน็หรือติดตามจากคอลัมน์ธรรมะในนิตยสาร Star ์คลิและก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือกําลังทําอัลบั้มเพลงธรรมะเต็มอัลบั้มเพื่อแจกฟรีด้วยนะครับชี้แจงตรงนี้ไว้อีกครั้งว่า งานที่ผมทําโดยเฉพาะด้านสื่อเสียงที่เกี่ยวกับธรรมะทุกอย่างปราศจากการค้าหากําไรนะครับทําเพื่อเผยแพร่ธรรมะเป็นธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นสรุปยอดผลการเผยแพร่ถึงต้นปีพุทธศักราช2555นะครับยอดดาวน์โหลดธรรมะที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีมียอดหลายล้านครั้งแล้วก็ผลิตแผ่นซีดีเพื่อแจกฟรีไปแล้วหลายแสนแผ่นหลายคนเลิกค่าตัวตาย หลายคนได้ชีวิตใหม่หลายคนรักพ่อแม่มากขึ้นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นขอให้ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการทำงานของผมที่ผ่านมาทั้งหมดได้ร่วมอนุโมทนาและปราบลืมในมหาธรรมทานกองนี้ร่วมกันนะครับสภะานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ